พี่แรกกล่าว่านโมสามจบแปวนโมออกว่าขอถึงได้พระพุทธีพระภาคอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าสามเ ท, ท่ากันอบนอบพระพุทธพระธรรมนอมรอบนอบ พ, พระพุทธเจ้าสามเทือต่อไปกข่าว่าพุทธทั้งธรมมั่งสังค้างเชิงทุติตาตีเก็บอกว่าเชิงทุติ ต, ติอีอ น, นี่ว่าให้พอดีก็ไม่ได้ะซื้อหรอกเม่ลึกเยไม่ลึลกเลก็จะถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมสมยู่ทุกงเมือบ่มีประม่ะมา ตามต้อเถ่าขอทูพณิพ่านพนแล้วต้อไปหานกวาสนาราคมันั่งนิทีตังตาท่านไตโครมจบทุกย่างสนีามาท่านจบย่ยงถึงสามเทือ่อนี่ก็เป็นจริงถึงไตสนาโค้มยัไม่มีการแหวนกังขื้นเพราะสามารถท่านไ ว, ว้แล้วลึกได้ลึกได้กว่าดีเขาาอกการสายสเวตอพูพระธประ ส, สงค์ทุ่งวา ม, ม, มประมาณตาต้อเ่าขอทูพพานึกได้ ล, ลึกได้ ก, กว่าดี ขอเป็นข่าวเป็นธาบพระพุทธพระธรรมระสงค์โยธุงบมิประมาณตอบพเถ้าขูตพระในพ่านใลึกใ้เพื่อกกว่าดีขอเป็นข่าวเป็นธาพระพุทธพระธรรมประสงค์คอยพระพุทธพระธรรมประสงค์ีรยาวรถเยียบย่ำทนไร้ขานหมกใสโยุงมามิประมาณขอขมาโทษเจพทธ้าสงโยธุงมามิประมาณตอบพราเถ้าขอูตพระในพ่านหมดแล้วต่อไปนี้กลว่านโมทัตถะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัม พ, pues mm พุทธะ นามุตสาภควาตู a 拉ตูสมาสัมปุจจานามุตสาภควาตู阿拉ตูสมาสัมปุจจานามุตสาภควาตู阿拉ตูสมาสัมปุจจานามุตสาภควาตู阿ตมาสัมปุจจานามุตสาภควาตู阿拉ตูสมาสัมุพุทธังสนังคาชามิ ธรรมสารนางคาชามิสังฆสารนางคาชามิตุิยปีพุทธังสารนางคาชามิตุิยปีธรรมสารนางคาามิตุิยปีสังฆสางคามิติยีพุทธังสนางคาชามิ ตาติยมพีธรรมังสารังคาชามิตาติยมพีสัคังสารังคาชามิสารังขมานังนิเทตังปนาติปะตะเวรมนีสิกขาปะทางสมาธิามิอาทินาทานเวรมีสิกขาปะทงสมาธิามิ กามีสุเมชาจาราวรมนีสิกาปทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมนิสิกขาปทังสมาทิยามิสุรามรยามเชมาทัฏฐานาเวรมานิสิคาปทังสมมาทิยามิ อิมาในปัญจาสิกขาปทาในสีเลนะสุกติงกันตีสีเลนะโคกสัมปทาสีเลนะทิพติงกันตีตัสมาสีรังวิโสทะเยมัดมือพี่เราไม่ยามมือนี้ยมัดมืออดพูว่าพูดดีว่าเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวตลาดมุกดาหารเยอะหน่อยเออขัหน้ายว่า พ่อหน้าพุทโธพูดอดไขับรถพ่อหน้าพุทโธหรออยกว่าเติมรถเติมจิตเติมใจเจ้าของอ่ะรถตให้จักรกด่หลังรื่องยังเอ า, าายเอาไฟไปผูกท้าไ้ท่อออกไปจะแบบจะกรกี่หลังหรื่องก็ขืนยกกับผู้ขับมันแล้วเล็กได้ก็เลิกได้กบตามขอถึงซึ่งมันค พ, พระธรรมประสงค์ที่ทุกวัน ม, มีประมาณนเว้ยกระสดท่านันเลยใชไหมผู้ขากเตุเป เรื่ขอขาามมงใหญ่เรื่อก็ตาขอขมาโทษตาพระพทสงทุ่งานเรามีประมาณเรื่องใ่รงใ่ก็ตาขอผูกขาดจองขาดบัตรทศารรส า, าอื่นนที่เวสาราอย่างันสาสอื่นเทาบวม่มีาปฏิเสธอะพระทธระมพระสงฆ์านาเป็นสารณาของเานั่นกรลับดีพีกรมาใต้กรบลับตอนไหอ่ะ เก็บขาขามังไปมืนมันเป็นโรคอะไรเนี่ยเนาะเป็นโรคทุ่งน้นดีเป็นนิ้วกับเล่นเป็นโรคมีอะไรสำหรับผู้สอบบาปงอนเหรอบักพ้นด้วยผ้ากับมีไรสำหรับผู้สอบมักพนด้วยผ้า เาองันและะ่เราไท้ามั น, น, น, นแม่พูงแงพึงพึงซื้อไคุ้มแม่นจีมือโคตมันกลับมไปมงนจะคุ้หามันกี่ยแม่พูมันเพิ ง, งมันกลบาไปเลยบอกง้ามันน้่บอกอ้าวเฉยอดได้มาจะคำพัน ยะถาวานิวาาปราปริเพริสเทสะขังเอวเมวะอิโตจินาเตตังอุปกปติจิตังปฏิจตังตุหังคิปเมวสัมิเตุเจเีปุรันตูสังกะปะจันโทปนาโสะยถาเมริโธตยะถาสัิจโยยวัจนสบวโตโคสัพยโยสัพโกโคยานัตตมาเตวคาวาตวนทรายโสุขีธีขายโกผอภิวาทนสีนิสานิจังวุฒาปัญญโนจัตตารุธรมมวัฒนติอายุวโนสุขังพระ อ่ไปมันชกมันชกได้หนี่ะแล้วยพียงตีนเพียตาเี่ยเียตายงฝ่าชฝ่าตัวที่มันผ้านไปก็บางคนมจัวันก็บคนมัจัขี้ข่าก็มันจับผาตากมันจะบผคิดอยู่คิดวายู่จอมจะบาคนตาจับว่าคิดนึกคิดเจว่าคิดตนึกว่คิดเหมือนจะบางคนา เขาหัวใจเขามันวายอยู่เาคิดใชมันอยู่เนี่ยกับปัญเน่าถ้าต้องการทํามันอยู่เขาต้องใช้อยู่ถ้าตกงการใชมัคิดมันก็คิดถ้าตกองการใช้มนพิจารณาต้องพิจารณาแต่สั่นมันจะป็นขนมันจะย่างถีเม็นคนในปัญญาของมมันสามารถที่จะมาต่อเข้าใจหรือตัวไปเอายันให้ยันยนโอเคหรือตัว เหมือนือบ่เนใจยอยอยยอทุุท่กจับเข้างแนวนมันกะยูทให้จับท่จับเข้ามันกูไปหนนาตัวจับกับวยุ่งมันกับมันทมันพูดมันบว่างัคุยไปคุนใได้ด้วยถ้าบอกคำมันยุิมันก็ยุตได้บอกคำมันพวนาพวนากรรมฐานแ้่กับพวนาเลยจังหมันกะยุมันบอกแต่ใส่ฟังตัวบอกครมัพระวนาพูทุกขอ่นกวาลงให้ใจเขาออก็ท้งาวนาเลย บอกใครว่าพี่จะหน้าพบตายนะสิ่งพ่อเขาล้มหายจเขาออกหามัน่พี่จะหน้าได้บอกครว่าพี่จะน้าควาบรประมาณปุเที่ยงพ่อพเขาล้มห้ยจเาออกหายไมพ่อหน้าได้จร้าเขาใจในตัวเองตวนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งเขานอนรับซีงวองพอแล้วชิมว่าหั น, นพักก็เทือนกับอได้อีกแล้วกันนะขอเป็นทหารวันเป็นพักก็เคือนแล่นอยู่วัดมื อ, องรู พอไรขนกันรกกันเตียงก้กันง่วงขึ้นกันคื้อขึนนรมันพักเกิดกับรถขุกนขับเห็นงานเจอเ็งานรถพักมันบอะไรกำลังพักรู้อะก็บอะไรกลังเดินทางขึ้นกันขันรพักมันกับอะไรกาลังกันพักไร้มันกับพวอนไรกันเพื่อพักกับมัดเข้ามาคิดมันอยู่กข้มาทานดิมของมันเงียบลงไป คิดรวบลงไปไม่เแน่แบบนึงรวลงไปมันหุ่ักษบ่อยกังเากรรมฐานที่ต่างไ้แบบนึงมันบริเน้นหนูมันบริเย้นเลยตามันก็บเรเห็นมันหลับอยู่แต่ตาหน้ามันยัเห็นอยู่แค่ปัดแสงสว่างเกินคนเองศีรษาว่านีสื่กรมาฐานเดิมห้่นเดิมที่ตาไว่าันเนยเสื่อมเสื่อมกรรมฐานเดิมเขาเรียกว่าเืมอาจารย์เดิมเดินราวเสือขาบน เป็นเรืองวัา น, นี้จากล้มเพาะเสียงปืนนบอบบ่าน <c oughs> <im> ี้จากลุมเพาะมันก็อะไรต้องอาศัยล้มเพาะย้อนบรรลกระเบิดอี่ดีบอไงไอ้หนิวกระเพแตกเราล้มพาะกรรมานที่ต่างัยนะถ้าร่วมศีลมาอันถ้าร่วมสามาที่อ่นแล้วห้องร่วมพรรนาแล้วร่วมพระพุทธธรรมผสมมหันเนี่ยนาจะไปหาสอีกองส่แล้วร่วมพระพุทธธรรมผสมร่วมธาร่วมศีลร่วมภาวนาไหวพวกกรรมฐานที่ต่างวัย ร่วม hey. well, ทําทั้งหลายแปดมือคือพระท่ามขันท์บนกรรมฐานที่ตั้งไว้เนี่ยเข้าเข้าเข้า้าในสมัยเขาเน่ะแต่เาเข้าใจว่ามันมีอยู่วันอื้นหรือาไปหายวันนี้หลพ่อปานหยอกเงาจอกของไปแล้วที่เตี้ยแะเปิดสายแพร์ผันแพร์ีแพร์ผันแพร์มีอยู่แต่ไฟแต่ไมนล่นน้าสายไฟมันถือว่าเปิท่เตี้ยแหละเข้าใจในตัวหันนลยกรรมฐานเดิมกับคืออาจารย์เดิมคืออุปัชฌาย์เดิม พระพุทธพระธรระสงฆ์ทั้งหลายไปร่วมในบัณฑ์ทานเดืมพระพุทธเจ้าทุกทูะองไปรวมในบัณฑ์ทานเดิมพรตางไวพระต่างไวอันน้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปร่วมในงาะพระสติ๊ะกัญญาไปร่วมในงานพะต่างไวารณาันนั้นแปดมืี่พระธรรมันพระพุทธเจ้าองค์ใดก็มาเข็ด่าทังลพระทูตเจ้าที่มีลาดพระองค์ก็มาร่วมในบัณฑ์ทานเดิอมเท่าขงส่นพระพุทธเจ้าที่มีใชยก็มาล่วมในบักฑ์ทานเดิมมพระอริยสงฆ์ที่าชก็ร่วมในหันองท่าน มันร่วงก้มรูก้มด้ยครับวันสติบที่ตั้งมันอยู่หันวันท้าทีอย่างไรอยู่หันสีมีสายไดัเข้าาร่วงจับสีร่วงหั่สมาธิก็ตั้งมันลงด้ว่ให้วันหันมันญ่าก็รอบรูอยู่บนหันมันเป่าที่ห้าวตังไวดร่วงหาใจเขาออกมันกระทบสเยอ๋องหาใจเขามันกระทบเพวดาเบื่ยงบนหมดเย็นใส่เื้อยุดริ้วซีฝาเบี่ยงบนหมหายใจเขาออกกับทัไปจมูกก็ตั้งรหัส พวกเราคนพวกกระตังจะมูคนเดียวนี่ไปจะมูข่างร่มพรผพานี่จะานใส่รมออกพรานี่จะพานใส่รมเข่าพระพานี <c <c bon ่จะานใสกระตัไม่ได้เดินเอาครับกับข้าก่าวเดินกำหนดร่มมาถึงไอบข้าก้าวเดินเพราะกำหนดร่มเขาลงม้ใจเขาออกครั้งหนึ่งเข้าก้าวไปสามก้าวสี่ก้าวเริ่มประทันกันไอ้ข้าก้าวไม่เอาเินข้า่สยข้าหัวใครรู้จัก หรือนึกแค่ไรก็เดี๋ยวผมจะบอกมันไปอยู่ห้องไจากมันอยู่ย่อมห้องก็บแต่มันอยู่หคนตัวเออแกงคนละคนถ้าหลงได้ถ้าหลงล้างหูอยู่เนี่ยถาว่ามันเป็นของสวยของน่าถ้าหลงล้างหูอยู่เนี่ยว่ามันเป็นของหลังของเที่ยงนี่ได้หนึ่งถ้าหลงล้างหูอยู่เนี่ยว่ามันเป็นตัวกระโจนไอ้หีถ้าหลงล้างหูอยู่เนี่ยว่ามันเป็นของซุกมันจะได้ซุกมันจะใสเนึ่งมันหิวมันอยากมันปวดมันเจ็บ ลงนั่งหุมอยู่นี่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนเขาไม่เป็นตัวเป็นตนเข้าเข้ากรสีบอกมันได้ตมึงแงเถ่ามึงแงแกมึงแเก็บมึงแาตายในสกลรกกายเนี่ยมึงแสุ่มีของเหม็นมีแต่ของหอม่าแ่มันกระบอกได้ทั้งตัวอืสร้สิเออมันกระเบื้องท่วันสี้ยพี่แกหน้าเดอะเนี่ยในสกปรกกายเนี่ยเขามันเป็นของเทียงมาท่นมันกระสีพูดได้แก่ได้เก้บไายไดพนเมเป็นของเทียงมันเของโมเทียงมันเป็นทุกมันเป็นอันิ่จังมันทุก มันบอกว่ได้ใส่บ้างบอกว่าให้แกมันแกบอกว่ให้เก็บมันเก็บบอกว่ให้ตายมันตายมันเป็นแต่สักวันหนึ่งทให้ร่มเนกับพี่ก่น่าเนี่ยมันนี่กระไรอยู่เพื่อการอนุกรรมนี่เดี๋ยวเขาออก่าบก่นเไม่ยพี่อก่่าเห็นพวกเขาลงไม่ใจเขาออกผมกระงรเพื่ออะไรก็ได้ ควตายก็มียุทธ์หายใจเข่าเหมือนกันถ้าโหายใจเขาบวหายใจออกใจเข่ามันก็ต่ายอยู่กันก็มมันรู้เทียงก็มีสุทธ์รหายใจคอควมันชุบก็ไม่สุทธ์หายใจคอควบพูดเพราะท่าผสมก็มียุทธ์รหายใจอควตายก็มียุทธ์รหายใจคอควบแก่ก็ไม่สุทธ์หายใจอควบป่วยควบนอนก็มุ่ทธ์หายใจคอควบมมมันรู้เที่ยงก็มียุทธ์หายใจคอดินหน้าไฟลุ่มก็มีสุทธ์รหายใจอเป็ดือเงิชิวทันคันก็มียุทธ์หายใจคอางองสันโรดว่า เขาพูดคุณพาะพทธระรมพระสงทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าพระใหใ่เขาออกเนี่ยจับอันนี้ยื่นมามตัวเกิดขึ้นระดับเกิดขึ้นจะรับไปยอเกิดขึ้นย้อนจะับนเกิดขึ้นจะรับย้อนข้นี่ไหนโจเรื่องที่ไนไ้พนี้นส่วนเมเกิดขึ้นจะรับไปหาราวงมืไม่ได้ยังไงล้มกระชือกันหาราวามือไม่ได้เกิดขึ้นฮาราวางมอไม่ได้รับไปฮาราวางอไม่ได้ธรรมไฟ้าก่เกิดเมื่รับกับาราวางมือไม่ได้ พู้รู้ใจจริงเจหาหนวามไม่ได้เท่ากันท่านผู้รู้ใจรก็หาหนวามไม่ได้เหมือนกันแล้ให้จเข้าออกก็ให้ใจเข้าออกหารอไม่ได้อกเหมือนกันอันเดียวกันแต่พี้จะแนะนำหนึ่งเลยเห็นว่าสมใจนึ่งก็สมใจกันแต่สมใจหนึงก็มใจมืดกันการ้มอันนึ่งก็ล้มคือกันการล้มตาก็ล้มหูล้มจมูกล้มนิ่งลมกายล้มใจเท่ากัน เล้มนั ke ke ke ke ้นกับล้มเนือยลกระดูกพี่กันเนีแล้วขั้นว่านังมัดตัวเขาเือง้างกัันแล้วขั้นว่าเนื่อยว่านั่งว่ากระดูกกับเขงเสือกง้างเหมือนกันเนี่ขั้นเป็ตัวเปนตัม่น่ว่าเขาคือกันเนีว่าสามขันอันนี้กับคำําขั้นพี่กันเอาอ่าเข้าใจตัวอัน่างนี่จะเที่ยงว่เข้าใจอยู่เขเนื่มาตายก็ตายป้อมล้เข่าล้ออกตัวถ้ามีสตินะล้เขาล้ออกมันมก็เมื่อตายมันกับว่าลงมตายเนี กฏิตากุิตาพ่อวขาล้มก่อรออกงอตั้งใจพี่แงหอย่าหันกันเรียกว่าตายมีสติจปนแท้สักว่าลูกเปนแต่เฒ่าเห็นความเขาล้หายใจเขาออกฟวาทุกทุกทุกควมเขาล้าใจเขาออกอะไรตาตาตาพวามเขาล้าใจเขาออกอะไรผทวงผูท้วงคมเขาล้หาใจเขาออกอะไรอันนี้การอันนี้การเกิดดับเกิดดับความเขาล้หาใจเขาออกอะไรมใช่เรามันใช่ของเราความเขาล้ายใจเขาออกอะไรเื่อหลัง ได้อันนึงจับอันนึงวัวหลัก็วัวัดเนี่ยไปให้อะไรบอกว่านงไน่อากระลาษกระด้กับมันของเก่าหันละของใหม่กรจายบนเป็นน่องเป็นไก่กินบนเป็นนองบนเป็นเออไม่แยกกายแยกิเออมั่ก็แยกเมื่อกี้ตัวมันมันก็้คือมันแหกคือลายอะมันแหกคือลายหรือะปล่การกายว่าันเล่าคิด่มันเล่าเล่าว่ามันคิดความเลงให้ใจเาออนอ้น่มันสะท้อนมันจะถามโลกทั้งปวกได้หัน มันจะขาดอุปทานทั้งปวงเละหามันสื่อว่ายึดมันเือมันในโรกทั้งปวงแล้หากายก็เป็นสภาวะกายตามสมุดเล่าเป็นเจตสาวะเล่าตามสมุดสมุดอันน้เ่าอานาปัญญาและหา่ะก็สมัทฐานกบกุฏนีละหผู้รูกของป็นเจสาวะผูู้กตามสมุดยึดเป็นเจตาวะยึดตามสมุดเทาว่ามันยึดยิดว่ามนเท่าร่มว่ามนเ่าเล่ามันร่มร่เป็นเจตาวร่มผู้รูกเป็เจาวผู้หลูอันนร่เข่าร่ออกอันนน เนาของนิพพานานี่ยคนละน่าของปัญญานี่ยคนละเน่ของมระุทธธรรมระสงฆ์ันร่กงคนเียคนของมึงนีมันได้ย่กับผู้่มพวาผู้าวพามันกัพ่อปันมดฝอกแกมดมดฝอบากม่วงะถึงย่ามาเจ้าข <ac hr> <Denmark> องเข้าไปกินซ <transformer nouveaux> ้าปอกม่วงมาลอนว่าเจ้าของเขาไม่ยังก็ตายเจ้าของพญายิ่ตลาดพวกอันพญามัจจุราชมันเอาไปกินซา พอดมว้ก็ฟอกบัววันนี้แ้ี่ย่าหน้าแกวก็หลงกนะ็หลงไม่ส่ที่แก้วดนี่เพื่อนในโลกไ ม, ม่ใส่ที่แก้วมันัดนี่เพื่อนในโลกไม่ส่ ก, มม ก, สกับเพื่อนเลยลุ้นทาเพิ่ไม่เท่านั้นน่ะปัจจุบันอดีแต่หน้าคก็ไม่ลุ้นทางเพิ่นม น, นี่นนนด้ เ, ดปญญน เ, นเป็นหน้านี่พีหน้าหรู้ตามไป็น ปฏิเสิขอมสงสัยตามเป็จริงก่อนคือรุด้นจากความสงสัยจากของตามเป็นจริงอนสมองเขาว่าเลยสงสัยก่อนสมองเขาถืว่าหาข้อมูลในโลกลงมาพี่จะหน้าแหนมันเบือนายค้มลงบของคือเคยลงมาเอาอีเคยลงมาเป็นเหล้าเป็นขาวเป็นซัดเป็นโมก้นเคยลงมาเป็นของเปลของงาเคยลงมาเป็นของหมาของเตียงเคยลงมาเป็นของสุนะมันลงอ้ว่ซีขอขอบที่ใหญ่มัน ตราขั้นว่าหลงว่าไปตัไปตัวนึงหลงว่าเป็นของซุกนึงลงเป็นของเทียงหนึ่งหลงเป็นของสวยของง่ามนึ่งนะทะเลหลงซีทะเ ล, ล, ะเลนี่แหละมันจะฮัแทอคามคามอันนี้คามในวิธีไหนคามโดยขาขาสีตายคามโดยปหน้าข้องมลูลรามันกินตัวคามโดยเครื่องยนต์เครื่องยนท่ไหนม้นจะคามอะไรละ่ะคามข้อมูลคามโดยปัจนาคามโ ด, ย, ญญขมดยขอ้อมูล Grammar, autistic, า icon, ขาคขาอมขี้ข้ากับขามเดือดข้อมกขี้ข้าเอี่มมันอ่อขามหลวพหน้าเนี่ยหลวพ่อนาเนี่จะอกับทอมโกนเนี่ยไปนั่งเว็บโหลดสอถึงอยามากคือหาเนี grasp, ่ย่าสอไปนั่งเว็บโหลดหลว่หน้านั่งถแต่นอนหลวงอนาจะรับคากันใครจไปนอเนี่ยซื้อคือนว่ากวยนั่งถึนัวอหน้าอยู่รับค่ากันตื้นซื้อนั่งหลวหน้าต่อขโมยจากลุงนั่ง นอตพ่อหน้ารับค่าพ่อหน้าหลวงปู่ซื้อเออนอนี้หลังเยยงงงลื่ อ, อยจะห็นมาใช้บพ่อหน้าเนี่ยกับพ่อหน้าน่ะคำพ่อหน้าซื้ออะไรยังปันนี่ไลุกข้านี้งใช้ยามมาถามอีกปั่นคุพูดอะไรอ่านกอนกับปากมุดตัวกัเนเอาปันคพูดอะไรอ่าน ก็พเพ า, ากะปานมันจะทัดทีเดียวมุทิตาเป็นแห่งลู่เนี่ยลูกผู้งานหนึ่งต ด, ดูถามพรน้นาว่าจะควบกัะห่ายไร่ห น, นีหมดตัวถ้าเป็นมุกขีมุขขีกันที่ซื้อหตัวตงคอยบอกเป็นมุกขีสถามในซื้อวันตัวถามพระหนา่าจะควบไร่หนีหร่นเนี่ยมาองมตาเขาเห็นหน่งตัวมันคงง่ายบว่าแคหงสาวมันรอกไปที่ซือ้อบัน ไก่มีณทวารนี่สิผัดตัวผัดผ้าวาน้าที่ใส่เองสิ่้าม้นมากน้ำนมามีน้านี่ปลานี่ปลาปลาปลเข็งหน่อยได้มาน้าน้ที่ใส่างท่าเขาบ้านมีน้าได้ด้วยไก่ฮองมันปลามันปลาเข็งเพื่อนตีว่าหรอกขอปลาคอสั่นพวกมูจักกี่ดังนี้ปลาเข็งดอกน้อยพน่าสวบตับร้อ ผู้ยังใกเพื่นเพื่อนลองตว่องจักตัวผู้วิอวัดผูพ่อว่าน่าผู้อาหัยั้งจบเพื่อนว่าหัยั้งจบนั่กับับขึ้นมาหนี่งตัวก่คอยบัเพาูมันตัวผูเพ่อว่าน้าเขาจัดแค่เรายั้งยันแ้่เพ่อนเราเลื่อนจนั่กลับขึ้นมาหนึ่งตัวเพื่นลองมังตัวผ้พ่อว่าน้าว่จักแล้วก็คอยหัวล่อไปเดินกลมังสี่ อเหี้เแอะยัง้มุดได้บังตัวคอยเหรอแล้ผู้มหางเี่ยไปลุกามเจีเท่าสาเทาไปบลกเธอจงรู้ตามมันจริงรัฐบาตามมันจริงรุ่นนตามมันจริงเียดอทิตเส้นชิงาเส้นหาดือนเส้นเ่้งอาทิตย์กิจต่างเส้นาส้น ที่ปัญญาศึกษาศึกษาคือจิงในปัจจุบันนั่นเองเธอเห็นชัดในปัจจุบันในโกปัจจุบันชัดเลวโลกอดีตโลกอนาคตเธอจะไปสงสัยทาไมเธอเห็นไตรสิขาชัดในปัจจุบันเลยไตรสิขาในอดีตอนาคตจะไปสงสัยทำไมก็จบปัญหาแต่งี้นะนั่นเองข้าพาวาลีเราต้องไปเห็นนรกสิในไตรโลกธาตุมันเป็นนรกอยู่ในตัวแล้ว เกิื่อรบวนนั world, ้แตกเย่ที่ไหนที่เกิดเคร่องะเบิดนนั้นแตกเสียฉ้วรดกิงไนที่มีทุกข์นั้นคมคือระดมกรณเพราะทุกข์ั้งวงเยียเยียนอยู่ในในโลกเมื่อเห็นทุกข์ในปัจจุบันรัดทุกข์ในอดีตอนาคตจะสงสัยทาไมเมื่อเห็นโลกในปัจจุบันชัดในอดีตโลกย้อนจโลกองมาเป็นอดโลกล้โลกอดีตโลกอนาคตจะไปสงสัยทาไมสังขารก็เหมือนกันธาตุก็เหมือนกัน ค่าแบ่งออกเป็นสองสังขาร้าตุมีสังขาร่าตุทำก็แบนน่งออกเป็นสองสังขารทำมีสังขารทำรูกก็แบนน่งออกเป็นสองูกลูกปโลกอารูปรโกรูกประทํามอา ร, รูปรธรรมทีเราเรียกก็คืการแบ่นันแล้วแจกกระจายไม่มีการมันกิดเลยไม่ต้องไปเสียด้วย ไม่เกรงไม่กลัวใครด้วยมีอิสระเกิดขึ้นยากเปน็นคนแต่สลายอยู่อย่างนั้นทํำที่ไม่เกิดไม่หับก็มีอิสระไม่เกิดไม่หลับอยู่อย่างนั้นไม่เป็นเมืองขึ้นของใครเธอทั้งหลายจงรู้จัมเป็นจริงชัเธอทั้งหลายจงปฏิบัติตามเป็นจริงสักเธอทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความหลงของตนตามเป็นจริงสักเรียกว่าอยะขาภูตังสัมมปัญญายะทัฐฐนศฐฐนวังบอกว่มาสอนลาสอนอย่างนีไม่ใช่สอน เอาสมาธิสมาวัสิดจปนดกินขนมเท่านั้นขอนให้รุ้ได้พ้นจากวัฏสงสารถ้าขมท้าปวดเข้ามาแล้วไม่หวังพ้นทุกนายวัสาสงสารมันก็น่าละอายเตียนบาดไม่ไผ่เหมือนกันหน้าละอายทางตรงกลมเดินตรกลมปร้อเหมือนกันสจาพ้นหรือไพ้นก็ต้องมีเจตนาอย่างนั้นมันถึงถูกเจตนา เป็นหัวจัดของคิวของความหมายต้องมีความหมายหรือจะว่าความประสงค์ก็ถูกพระบรมาสารีาสร้างมาละมีมา mm. ก็หวังเพื่อเป็นเกจณาพระธมารทศพรรทเก้าเพื่อที้อเอาขนสัตว์ออกจากวัตราสงสาฐานนั้น เจตนาเป็นโลภตระกเจตนาเจตนาหวังเพื่อคนทุกขในวตาระสงสารเป็นโลภตระกิจเจตนาณนะโมเพื่อหวังคนทุกข์ในวตาระสงสารเป็นณนโมที่มีคุณค่าณนะโมเลขนะโมผานะโมบัต น, นะโมบือนะเรียกว่าณโมมหาเอกีนรกนะพุทธังก็เหมือนกันธรรมั ง, งก็เหมือนกันสังฆังก็เหมือนกันนะถ้าผู้เร่ก็มองดูหน้าพลิ้วพลิ้วแค่ไหม รู้มาถูกกับขี้เด็ใช่ไหมพระ ส, ส ว, วัสดิบาลพุ่งพระส ว, วัสดิบาลมีอะไรบ้างไม่เสียดายอยากลงละเมิดเส้นห้าไม่เสียดายอยากกระถิ่ศาสาดาย อ, ยาอายยื่ไม่เสียดายอยากเล่นอภัยยมุกไม่เสียดายอยากสะขอดเวรท่านผูน้ใดโกรธอยู่แต่ไม่สะขอดเวรมึงเถิดไม่มีในท่านถ้าเคยทําผิดเขามาแต่พลาดอดก็ให้เลากันไปสัก างท่านสำคัญตนเป็นพระโสดาวันเด่นเล่นเลขเล่นผาเล่นบัดเล่นเบอร์ถือเลิกถือยามถือศาสดาอื่นบ้างถือพรามบ้างมาประปนกันแล้วก็ให้คะเนียนว่าพระโสดันพระโสดาพระโสดัดขเนยแล้วให้คะเนียนมีมนุษย์สมบัติบ ร, ริบูรณ์เลยคำสอนพองพุทธศาสนาอาบายนิมุกทุกประเภทเทเวนแรกก็เป็นมนุษย์สมบัติ ถ้าเป็นมนุษสมบัติแล้วก็เป็นสวรรค์สมบัติก็เป็นพรมสมบัติก็เป็นนิพพานสมบัติไปเป็นลาดับถ้าปิดมนุษย์สมบัติแล้วก็สวรรค์ก็ปิดพรมก็ปิดนิพพานก็ปิดอยู่ในตัวนั่นเองงัผู้เห็นภัยในวัดจ้าสงสารอย่างเต็มที่แล้วเห็นทางขีบหายในวัดจ้าสงสารอย่างเต็มที่คืออบายมุขเห็นทางชีบหายแล้วมันดิ่งลงไปแล้วมันก็ไม่ลาบากจะปฏิบัติมันไม่เสียดายอยากทาเชื่เลยเช่นเสี้ยนห้าอย่างนี่ มันไม่ใช่ได้อย่างล่วงเฉล ย, ยเลยมันเป็นทางเวียนทางไปยิงเก้กว่ า, านาทีวัดนาทีนาทำอยู่ราศนะุรามันเห็นชัดลงอย่างนั้นมันดิ่งลงแล้วมันก็ถอนไม่ออกเมื่อมันถอนไม่ออกมันก็ไม่ลำบากมันก็ปฏิบัติทําไปปรีบ ๆ, ๆเลยพร้อมเปิดประตูได้แล้วนะเลือกว่าได้ดวงตาเห็นทํามองเห็นแล้วทางที่จะไปไม่แวะซ้ายแวะขวาไม่ถอยหลังเลยรุดหน้าเลยจะเดิญช้าหรือเร็วไม่เป็นปัญหาเนีย ถ้าไม่สงสัยก็ไม่สายก็ไม่บายก็ไม่คำํำนะปฏิบัติเพื่อคนทุกขนะวัดตาทงสารปัญหามีนิดเดียวไม่มีมากปฏิบัติเพื่อราบเพื่อยดเพื่ออะไรต่ออะไรสารพัดเพื่อเอามา ข, มข่มคนมันก็มากปฏิบัติเพื่อเอบเอาเป็นเกียรติเอาเป็นยศเอาเป็นอะไรต่ออะไรสารพัดมันก็หนักใจพระธรรมก็ไม่เปิดด้วยนะถึงจะม่กเร เต็แผนฟ้าแผ่นดินก็การถ้าปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นว่าเจ้าทสารเทวดาในไปโรกธาตก็อนุโมทนาด้วยนักหนักหนักนักนัก น, น, นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจผู้ฟังและผู้พูดน้าหัวหน้องขลอมบึงบางต่างไร ล, ลงสูงมหาสมุทะเรโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดก็ไร้ไลงสูงคําสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั่นไม่พูดอีกก็ต้องจริงอีกจริ่งอยู่ไม่มีกำวรรณคืนทุกทุกทุกสมัยของโลก เพราะพระเจ้าองค์ไหนมาก็มาบัญญัติอันเก่าไม่ได้บัญญัติอันใหม่เลยเพราะเป็นธรรมอันถูกต้องแล้วไม่ได้เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนวินัยเลยจะมากี่ยุุคกก็ตามจะมาร้อยโกดก็ตามก็เป็นธรรมวินัยอันเก่าไม่เหมือนกฎหมายกฎหมากู่ก็พักกฏพวกที่ตั้งขึ้นตามคนมากเป็นประมาณคนมากเป็นประมาณข้างพุทธการท่านก็เอาคนที่ไม่มีเกียรติคนที่ เรียนพระตไตรปิฎกจบก็ตามแต่กิเลสเท่ากูเทาเขาท่านก็ไม่มาออกเสียงแต่พวกเรามึงไม่ออกให้กูกูก็ั้าางมึงเอา้ามันก็เลยกลายเป็นประชาธิปันธ์เงินถูกไหมนชะาแค่นั้นก็ตั้งมันอยู่ไม่ได้วไว่รอดทําเปนโร ก, กระบาดคุ้มครองโรคสองอย่างความรายต่อแบบความกลัวต่อบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้นะพระบรมศ า, าธนาเอาไปกินแล้หรอ ไม่มียางอายตว่าไม่มีความกวตว่าแล้วจะตั้งก้อนไมยกี่ล้านล้นท่องก้อนไม้จนน้ำไหลไฟดับก็ตามเถิดมันก็เท่าเก่านั่นเองบีพ่อไอ้แม่กูเอ๋ยนั่นถูกไหมเห็นฉะนั้นเราจึงไม่สงสัยพระพุทธศาสนาเลยใครจะสงสัยก็ตาม แม้จะตายมากกว่าแ ม, ม, ม่ทิ้แม่ชายในท่อมหาสมุทรร่ายกฎมหาสมุทรก็ตามเราจะไม่หนีจากพระพุพพทธธรรมพระสงฆ์เลยนะเห็นชัดลงขนาด น, นั่นละทีนี้พวกงูจะทําอะไรก็ทําำสักทาวัด ม, ม, มาให้เป็นบาปเป็นกรรมไม่ใได้เป็นบาปเป็นกรรมด้วยเด็กคุณมาพูดพระธรรมพระสงฆ์พวกเราทั้งหลายอย่ามีเวรเวรภัยแก่กันแล้วกันทั่วทั้งไต้ลูกท่อยู่ทุกมากเทือนมัดก็จบเท่านั้นมันจะยากอะไร มมาจากไหนวะเนี่ย่มาจากน้อยออเข้าใจเข้าใจที่หนังสือได้รับหรือยังก็ได้รับครับฮะถ้าอย่างนั้นเอาหนังสือมาให้เว้ยหนังสือนอกคือหนังสือกระดาษหนังสือในคือหนังสือร่างตายหนังหุ่มอยู่รดยรอบ ตำรานอกคือกระดาษตำรานอะคือนังหุ่มอยู่โดยรอบถูกไหมหอนก็หอนลงมาหาใจวัวหอนก็หอนลงมาหาใจมากก็มากออกไปจากใจแปดหมืน่นเชื้อพระธรรมขันน์ก็มากออกไปจากใจย่อนลงมากับเอกะจิตเอกธรรมในปัจจุบันอาทิศิอาทิศิษฐ์ศิขาสิกขาคือศิลยิ่งอาทิกิตตาสิขาศิขาคือจิตยิ่ง อธิปญญาสิขาสิขาคิอปัญญายิ่งก็ย่ำลงมาในปัจจุบันนั่นเองะเห็นปัจจุบันชักเอาปัจจุบันเป็นตัวประกันเลยได้คาหนังคาเขาเลยสิ่อื่นก็ไม่ต้องสงสัยปัจจุบันนันจะโยธรรมผู้ใดเห็นทำในปัจจุบันชักในชั้นใดๆก็ดีชั้นอันนั่นก็ไม่สงสัยอีกปัจจุบันพระสุวรรณปัจจุบันสักการขามีปัจจุบันพระนาคามีปัจจุบันพระรหารปัจจุบันพระรหารเป็นปัจจุบันบริบูรณ์แล้ว ปัจจุบันพระสวัสดามเป็นดาบันเป็นปัจจุบันเบื้องต้นต่ำก่านั้นลงมาเป็นปัจจุบันโลคีนะโมก็เหมือนกันนโมพระสัสดามนโมสัคขาคามีนโมพรนาคามีนโมพระทหาพระหารเรียนนโมจบแล้วนโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมจนนโมเกิดแก่เตายนักนโมต่ำก่านั้นลงมานโมเลกนโมานโมบัตตนโมเบอต่ำกว่พระสวัสดามาลงมาพระสวัสดาม่เสียดายอย ta. ่างพกระเบิดทิ้งาไม่เสียดายอย่างเล่นอวยมุข ถ้าเสื่อมใจอยา่างนี้นบอายุกูก็ไม่ใช่พระโสะดอนพระโสะดันพระโสะดาวพระโสะดะสะาดคณีนั่นพูดถึงเพียงเลยเราไม่กลัวเพราะเราได้พิจารณาครับแล้วอาถามเลยแต่มแมลงวันมันก็ยังอาถามมันอาถามโดยคนละาคนเราอาถามโดยคนละทาและใจถึงมันคนละทางมแมลงวันก็ใจถึงทำมันพูดแมลงเพึ่งใจถึงทางแกสอนออกไหมอาถามแต่คนละทางถูกไหม นะนะคนเราเป็น ญ, ญาเสพติดพระอรหันต์เป็นญาเสพติดไม่มาเกิดแก่เกิตายอีกต่ำกว่านั้นลงมาเป็นยาเสพติดอยู่ในวัตาสองสางพระสวัสเป็นปญาเสพติดถึงทำเบื้องต้นแล้วจะเดินออกพระนปพาจะเดินไปหาพระนิพาพระอรหันต์เป็นญาเสพติดไม่มาเกิดแก่เกิดตายอีกนะักนะัออกจากโรงพยาบาลชี้สัญญาเนี้ยออกจากบ้าแล้วหายบ้าแล้ว ออกจากโรงบ่มบ้าแล้วพ ร, าารพระละหันพระโชตรามันออกจากบ้าไปเป็นเอกเทศแล้วมันขมวดคืนข้ามทะเลลงไปเป็นเอกเทศพระละหันข้ามทะเลหลวงหมดแล้วเพราะปัญญาเหนือทะเลลงไปแล้วข้ามไปแล้วชั่วรัตย์เดียวเดียวเล ย, เยชีวย่วฆาตคิดเดียวเลย ถ้าอย่างนั้นจะไม่เดาไปนะกั่คที่นี้นะวพุทโธนิพานธมโมนิพานสังโกรณิพานพุทธธรรมสงนิพานกาบด้วยพร้อมกันเลยนี่ผมพอกันมาทาไมดอกสมัยหลวงปู่มันกาบพร้อมกันเด้นี่วัดพระกันแต่งกันไหมหอกพันวาหองไผ่หองมันพันวากันมาแกกันไหมหรเขาบอกนามูในห้อเอาตามเดิมเอหลวงปู่มัน ขอไฟข้าวมันนะัมะกาบก็ละเทียดังไหนสันพุทธโธไฟพูทธโธมันพันวะอุปราศปัญญาวิเศษเป็นเหตุให้ระอาในวัฏสงสารความนายความระอาในวัฏสงสารเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาในทางของพุทธศาสนาความเพลินในวัฏสงสารเป็นพักของพยาบาล ความเคศลาบในวัตต่องสารเป็นพักของพระพุทธศาสนาความเพลิเพินในวัตต่องสารเป็นพักของพญามารพระพุทธศาสนาสอนให้เคศลาบสอนให้ปลดอาวุธปลดอาวุธเวรไภ่ปลดอาวุธเคศลาบปลดอาวุธต่อสู้สร้างให้ ทรงอาวุธต่อสู้ความหลงของตนรน้องอะไรรองนังหงมอยู่รนรอบแ่าเป็นของเที่ยงแ่าเป็นของสุขแม้เป็นของตัวตนแ่าเป็นของสวยของงามได้ได้ในโรรวัตอันนี้จังได้ได้ในโรรวัตทุกขัง ได้ในโกวนอฏานตาอย่าสงสัยโลนโลนเลเลยนาโกร่งกืนกันอยู่ในปัจจุบันถทาดีทางอนาคตด้วยพลนในวัาสงสารกับเพลงนในรุ่นผ่านฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันเพลิงแก่เพลิงเก็บเพลงเิพลงตายเพลิงโรกเพลิงโกรธเพลิงหลงสพทุกข์น่ลงมาหาเอกระทุกข์กนกในปัจจุบัน นอกจากกาไม่มีอะไดจะหลงใจนอกจากกาก็ไม่มีอะไรจะรู้ใจนอกจากกาก็ไม่มีอะไรจะทำประโยชน์ให้แก่ใจนอกจากกาก็ไม่มีอะไรจะทำโทษให้แก่ใจใจก็มีคุณเป็นมหาร์แก่ใจแต่ก็มีโทษเป็นอนันต์แก่ใจเหมือนกันพระ ผ, รกกรรผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นโลกโกรธหลงกับพระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นผลรับก็พระ ผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้รับผู้จะบรรเทาก็ใจเป็นผู้บรรเท า, าวดาธาตุศีธาัดภาวนาวัตตลอดจนถึงเหเงือดแห้งหายไปว่าเป็นเอกานิบาตคือบทอันมีหนึ่งคือบทใจจะมากก็มากออกมาจากใจทําดีจะมากก็มากออกมาจากใจทําชั่วจะมากก็มากออกมาจากใจผลของความดีความชั่วมีใจเป็นผู้รับ ไม่มีอันใดมาแย้ดินฟ้าอากาศภายนอกก็ไม่มาแย้ตาหูจงเลื่อนกายก็ไม่มาแย้ทําดีก็ดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ชั่วไปดินไม่ไปชั่วที่ดินฟ้าอากาศไม่ไปดีในที่ดินฝ้าอากาศหลงใจตอนไหนก็หลงทำตอนนั้นตอนหลงวินัยตอนนั้นปฏิบัติใจตอนไหนก็ปฏิบัติทำตอนนั้นปฏิบัติวินัยตอนนั้นพุทธธรรมสงศงอยู่ที่ใจ ถ้าถือพุทธธรรมสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์ก็ทรงอยู่ที่ไใจถ้าถือผีผีก็อยู่ที่ไใจถ้าเคารพผีผีก็อยู่ที่ใ จ, าาใจบางท่านก็บอกว่าลุงพ่อลุงพ่อไลอ่ลผีออกใครด้วยไล่ผีก็ไล่ที่ใจผีไม่มีแกผู้ไม่ถือบาปไม่มีแกผู้ไม่ทำผัวไม่มีแกผัวเมียไม่มีแกผู้ยอมเป็นโสตนะพระพุทธ เ, เจ้าใจสร้างขึ้นพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นเขาก็บอกว่าพระผู <S S ้เป็นเจ้าสร้างขึ้นพระพุทธศาสนาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นดีก็พระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นชั่วก็พระผู้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้นเราสถาคตเป็นผู้เพียงชี่บอกพระบรมศาสดาหิ้วน้ำก็ดื่มเองหิ้วนอนก็นอนเองหิวอาหารก็ทานเองเราสถาคตทานแทนไม่ได้ทำมีอยู่ก่อนเราสถาคต จึงรู้ธรรมถ้าทําให้มีอยู่ก่อนแต่ถ้าคตก็ไม่รู้ธรรมเห็ฉนฉันจึงเขารับธรรมธรรมทรงไว้ทรงไหวซึ่งโลกีโลกียธรรมทรงไว้ซึ่งโลกุตระโลกุตระธรรมผู้ใดไม่สงสัยอยากล่วงละเมิดอบายยมุข ไ, ไม่สงสัยอยากกระ่วงเสียนห้าไม่เชียอสงสัยจากกระถือสาธาณาอื่น จิตท่านผู้นั้นเป็นโลกุตระแล้วเป็นสุปฏิปันโนลงโออยู่ที่ดวงใจลงอาอยู่ที่ดวงใจเป็นผู้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เห็นอยู่ที่ดวงใจของตนธรรมัญญตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อถันยตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุ่เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกคนผลแห่งเหตุอันนี้ผู้นั้นในดวงตาเห็นจำแล้ว ระบายมุกทุกประเภทมันเป็นเหตุระมุดมนุษย์วิบัติเต็มภูมิท่านผู้เห็นโทษไม่ใช่ได้อย่างรังระเมิดคือผู้นั้นได้ดวงตาเห็นธทมแล้ว ผ, ลผู้เชี่ยเหตุเชี่ยผลผู้เชี่ยเหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วก็คือพระสุภิญโญนั่นเองน่นถ้าไม่มีมากมีน้อยน้อยอยู่ที่หัวใจมากก็มากคือที่หัวใจ ลงใจตอนไหนก็หลงทําตอนนั้นเข้าใจตอนไหนก็เข้าใจทาตอนนั้นปฏิบัติใจตอนไหนก็ปฏิบัติธรรมตอนนั้นถ้าปฏิบัติไปในทางถูกเห็นผิดเปลยนชอบเหตุชิบหายจะให้ผลเจริญไม่มีสร้างเหตุลงแล้วผลไม่ไปสงก็ได้รับตามส่วนคนค่าของเหตุที่สร้างขึ้นจะปฏิเสธใครใครก็ไม่ได้เหตุนั่งผลก็นั่ง พอใจเป็นผู้พาดั้งเหตุพูดผลก็พูดเหตุฟังผลก็ฟังเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันท่อเก้าเหตุหลับผลก็มืดเหตุลืมตาผลก็เห็นพระพุทธศาสนาสอนใจจงทําจิตให้บันเทิงในการละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้แต่พวกเรามักจะบันเทิงประทางในรทำชั่วมันก็ให้ผลประทางชั่วสุปฏิปันโนไม่ถือเลิกถือยามไม่ถือศาสนาอื่นถือศาสนาพุทธเท่านั้นไม่ยินดีในศาสนาอื่นเพราะเหตุใดเพราะเห็นว่าคำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดแล้ว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 เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยน่นเื่อมในทางลึกซึ่งพ่อให้คำนึงได้หลายทางน้าพ่อให้น้งองครองเมืองบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเโดยไม่รู้ตัวฉั้นใดคาสอนใดๆก็ไร่ลงสู่คำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้แม่รู้เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเรียกว่าอริยฐสัจจังจริงอย่างประเสริฐไม่มีกลงวันกลางคืนไม่ลงธรรมาติอีกะด้วยไม่มีเอวังเช่นความแก่แคบตายที่ประจำตัวของเราอยู่นี้ก็ไม่มีเอวังไม่ลงธรรมาทิไม่มีนิทีตังความป่วยความเฒ่าในสกลอากายของเราก็เหมือนกันไม่ลงธรรมาติจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วก็ไปทางรัดเห็นความแก่ชัดในปัจจุบันความแก่ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นความเกิดขึ้นในแปรดับในปัจจุบันชัดความเกิดขึ้นแปรดับในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นอนนี้จังชัดก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มด้วยอันนี้จังเห็นทุกชัดก็เห็นรอบโลกแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยทุกถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลงของตนได้ นะข้ามก็ข้ามทะเลหลงข้ามทะเลหลวงด้วยเครื่องบินหรือเรืออะไรอะไรข้ามไม่ได้ต้องข้ามด้วยปัญญาปัญญามีอยู่แต่และท่านแต่ละคนอริยะธรรมเอธิตโตนะลูกอริยะธรรมคือทำอันประเสรศิฐอยู่ที่นอนแลชนทั้งหลายนั่นเองเพราะไม่เป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษยนะ์พดโธปลผู้รู้ละบาปบาเพ็ญบุญ ธโมซองไว้ซึงผู้รู้ละชั่วทำดีอันเดียวกันสังโฆแปลว่าปฏิบัติละชั่วทำดีก็มีความหมายอันเดียวกันตกลงพุทโทธโทธโมสังโฆก็เป็นเชื่อกสามเกลียวอยู่ที่ดวงใจแปดมื่นสีพระธรรมขันธ์ก็เป็นแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์เกลียวอยู่ที่ดวงใจในปัจจุบันนั่นเองปัจจุบันนั้นใจโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบัน ผู้นั้นไม่กงอแงนคนแคลนในทางพุทธศาสนาเลยผู้นั้นจะไม่สงสัยพระพุทธศาสนาด้วยผู้นั้นจะไม่กล่าวตู่พระพุทธศาสนาด้วยผู้นั้นจะไม่กล่าวตู่ตนด้วยถ้ากล่าวตู่พระพุทธศาสนาก็กล่าวตู่ตนนั่นเองเพราะพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตนตนก็คือใจใจก็คือตนตามสมมุติจะปฏิเสธไม่ได้นั่นสมมุติก็จริงตามสมมุติปรมัตต์ก็จริงตามปรมัตต์จะเอาสมมุติและปรมัตต์มาเป็นสงครามกันมันก็ไม่ถูก จะเอาอัตตาอนัตตามาเป็นสงครามกันก็ไม่ถูกจะเอาตาหูจมูกเลี้ยงกายมาเป็นสงคารามกับใจมันก็ไม่ถูกใจมีหน้าที่รับเมย์เขาก็รับสิตามีหน้าตาหูจมูกเลี่ยกายมีหน้าที่ส่งเมย์ก็ส่งไปส่วนผู้รับเมย์แล้วอ่านแล้วได้ความว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับผู้นั้นตาหูจมูกเลี้ยงเขามีหน้าที่สง่งเขาก็ส่งสัมผัสไปใจมีหน้าที่พิจารณา ผิดก็ขึ้นอยู่กับใจชั่วเขาขึ้นอยู่กับใจอเขามีหน้าที่ส่งเขาก็ส่งเขามีหน้าที่ส่งมเอกาสารอยู่ในที่นั่นเขาไม่รับรองใจมีคุณเป็นมหารไม่โทษเป็นอนันต์ถ้าทําดีก็มีคุณเป็นมหารถ้าทําโทษก็มีคุณมีโทษเป็นอนันต์ทําบุญก็คือทำบุญฉลองใจทําบาปก็คือทําบาปฉลองใจทําบุญก็ ต่ออายุก็ต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจท่าบาปต่ออายุก็ต่ออายุความบาปอยู่ที่ใจไมไ่ต่อในที่อื่นจิตตั้งท่านตั้งสุขาวาหังจิตที่ฝึกฝนแล้วนำสุขมาให้จิตจิตที่ไม่ฝึกฝนก็นำทุกขมาให้จิตใจม น, ม, าตา ม, ามนุสุขพังคมาธรรมามโนเสต้ามโนมายาท่านทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจธา ต, วตุวัดศีรวัดภาวนาวัด ก็มีใายเป็นหัวหน้าภาวนากรรมฐานอันใดๆก็มีใายเป็นหัวหน้าภาวนาพุทโธก็มีใจเป็นหัวหน้าภาวนาลมห้ยใจเข้าออกก็มีใจเป็นหัวหน้าภาวนาความตาก็มีใายเป็นหัวหน้าเพราะใจเป็นผู้รู้จักกวาตายเอามาถึงสกุลในร่างกายพทพใจทําใจสงใจนั่นลงมาเป็นเอกมิบระโลสังขโหอาสังโหไม่สงเราะ์ เอกังสมัยยางสมัยหนึ่งพระภูมีมหภาคเก้าสมัยใดก็าตามก็เป็นสมัยใจนั่นเองนะสมัยที่ทํำดีก็เป็นสมัยใจสมัยที่ทําชั่วก็เป็นสมัยใจนั่นนะพูดเพื่อฟังง่ายเพื่อปฏิบัติง่ายอาดีตคือนิทานของใจอนาคตก็คือนิทานของใจที่ยังไม่มาถึงนักติโรเกระโหนามะความรับไม่มีในโลก เรานึกอะไรเราก็เห็นอยู่นึกไปทางดีเราก็รู้อยู่นึกไปทางชั่วเราก็รู้อยู่เหตุฉะนั้นจึงว่านาทีโรเกะและหัวหน่าวว่าความลับไม่มีในโลกผู้เขาโกหกพกกลมเข้าไปรักซกจกหอเขาก็รู้เขาอยู่เขาปฏิเสธเขาก็รู้เขาปฏิเสธอยู่นั่นความรับไม่มีในโลกคำสอนใดในไตโรกธาต จะเสร็วว่างั้นคําสอนพุทธศาสนาไม่มีเลยเพราะพุทธศาสนาสอนเป็นมนุษย์สมบัติแล้วทําเป็นโลกบานคุ้มครองโลคคลองอยางความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกห้หนไมก้อหมู ก, ก้อนพกกพวกอะไรอะไรก็ตั้งไม่อยู่อุ้งของทําให้นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทําคนที่ว่าอะไที่แจ้งมาได้ก็ไปทำํำในที่รับ คำสอนใดๆก็ตามกฎหมายใดๆก็ตามถ้ามาอาศัยคำสอนพุทธศาสนาเป็นดิ่งแล้วมันก็ไปไม่รอดเช่นพวกที่ถือเรามันไ ม, ไม่ไม่มีบนไม่มีบาปเขาไปรอดไหมเขาเข้าไปไม่รอดเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ไม่มีมความเห็นทําไมจึงแย้งกันผู้มีกิเลสว่าก็ความเห็นต่ํามากผู้มีกิเลสว่าก็ความเห็นสูงอืม เหตฉะนั้นกรรมโมนารวตติโลกูสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมของสัตว์ทั้งหลายนั่นกรรมแห่งผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนาก็หมายเอาพระอนาคามีในทางกุศลในทางบาปก็หมายเอามหาวิจินรกส่วนอรหัตตมรรคอรหัตตผลท่านไม่จับเป็นกรรมแในผลของกรรมใช้แล้วเพราะเป็นผลขาดตอน กรรมดีท่านก็ละพอแล้วอ้อท่านก็ปฏิบัติพอแล้วกรรมชั่วท่านก็ละพอแล้วก็เลอยู่เนื้อเหตุเนื้อผลเนื้อกรรมดีกรรมชั่วไปสักไายกับน้ำเต็มตุ่มเต็มไหเอามาเทใส่เหตุที่จะรับไววก็มีไม่มีเหตุที่จะตักใส่ก็ไม่มีแต่พวกเรา ยังอ่อนในการละชัธรรมดีอยู่ยิงเมื่อพยายามละชัธรรมดีไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอะไที่เหนือเนี้ยเมืยามค้นเม้ายามคนป่วย